อย่าประมวลเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นประสูตรความจริงก็นํามาจากพระสูตรตนเองมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเราะว่าเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนรกก็ดีมีความสนใจกันมากก็มีมากท่านเอกันที่มีความสง ส, งสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ กลายเป็นว่าพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระบรมโรคและเชจโตตอนนี้เป็นเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังแล้วดีไม่ดีนักเทศเองนั่นแหละเทศสอนชาวบ้านแล้วตนเองก็บอกบอกว่าไม่เชื่อเรื่องราวทันหลเหล่านี้นี่มีอยู่มากเดียจะมากล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเคยเป็นนักเทศมาด้วยกัน เทศไปเทศมาก็ปรากฏว่าไม่เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียเองเรื่องนี้มีมากฉะนั้นในวันนี้จะนาเรื่องบุพกรรมต้องขอกล่าวว่าเป็นเหตุของบุพกรรมมีความสาคัญกว่าไม่ใช่บุพกรรมแท้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง แต่บุพกรรมนี้ที่กล่าวในวันนี้จะปรารบเรื่องนรกก่อน <c oughs> สำหรับเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จปชิินาวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับภาษารีบุตรซึ <c oughs> ่งมีมาในมูลบรรณาศักิมันชนีกายข้อ171เจหน้า149 แห่งพระบาลีในพระไตรปิฎกฉบับชงาสยามรัฐความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรายกรสารีบุตรในมหาสิหนาทสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรก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 เราเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแต่กายแตกเข้าถึงแล้วเสืงอบายทุกตินิบาตวินิบาตนรกสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเพ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพย์ยาขูอันบริสุทธิ์ล่วงจ้กสุ ข, ขมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนสาธีบุตรเหมือนกระลุมนฐานเพลิง รุประมาณชั่วตัวคนเสดซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงราศจากเปลวราศจาควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีสรีระถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเล็ดเลยแสทบแสทานหิวกระหายมุ่งหน้ามายังหลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียว มุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วย่อมมีใจกรุณากล่ า, ลาวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจากไปลุมฐานเปลิงนั่นแหละโดยสมัยหลังต่อมามุรุษผู้มีตาดีนั้นย่อมเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมฐ่านเปลิงนั้น เสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเป็ดร้อนโดยส่วนเดียวอุปมานี้ฉันใดดูก่อนสารีบุทเราต่ทาคอยก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลในบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นได้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้า แต่ตายเพื่อกายแตกจะเข้าถึงสิ่งทุกติวิวนิบาตและนรกเป็นต้นโดยสมัยต่อมาเราตะคาคดได้เห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกเป็นแล้วเข้าถึงอบายภูมิทุกติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนานแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่ไปเจขู่อันบริสุทธิ์ ร่วงจากสุขมนุษย์ <c oughs> <c oughs> ตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาชาสินดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตามที่อ้างกล่าวถึงมันแล้วเป็นอนุว่าองสมเด็จพระบพีตแก้วทรงรับรองเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพรหมเรื่องพระนิพพาน ตามหลักฐานตามที่กล่าวมานี่เป็นอันว่านรกมีจริงตอนนี้ไปก็จะเว้นเครื่องเรื่องบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเห็นว่าสมควรแล้วจะนำเรื่องประสูตรตั้งแต่นรกถึงนิพพานมากล่าวกรัรรดาท่านหลายเพื่อเป็นแนวทางงการปฏิบัติกวามจริงนรกไม่มีจริง อาจะมาขอรับรองที่กล้ารับรองก็เพราะว่าเคยตายไปเห็นนรกมาแล้วแล้วก็หลังจากการตายมาก็ได้ฝึกฝนจิตใจพอสมควรตอนนี้ไปถึงไหนไม่บอกได้ึืนบอกก็เดี๋ยวจะมาไล่จับหาว่าอดออ ด, อ, ดอตริมนุษธรรม ฉะนันหากว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วที่มีความสงสัยในพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โปรดติดตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบาทีิพแก้วปฏิบัติในกสินบางบทบางตอน เพื่อทำทิพยคุ ย, ยานให้เกิดขึ้นตามหลักขอมวิชาสามหรือว่าจะฝึกจิตให้ได้มีฤทธิ์ที่เรียกนุว่าอาพินยาหกสามารถจะไปนรกสวรรค์ได้โดยตนเองหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีอยู่ องสมเด็จพระบรมครูเมริเทศทรงเดชนี่ก็หมายความว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตมาพูดแล้วก็มีหลักวิสูตรในการสอนให้บรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ทั้หลายได้ประพฤติธปฏิบัติให้เห็นเองรู้เองแต่หลักสูตรการสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีจริง แต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงไม่ยอมนำหลักสูตรไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาบอกว่าองค์สมเด็จพระสรงสวัสิ์ไม่ทรงแนะนำสั่งสอนหรือว่าพูดแล้วไม่เป็นความจริงตามที่เขากล่าวกันว่าเรื่องพระสูตรนี่เป็นเรื่องปรำประราไม่น่าเชื่อ เป็นนิธานเล่ากันมาทีหลังถ้าว่าบรรดาท่านหลายคิดอย่างนี้แล้วก็โปรดพิสูจน์คำสอนของค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในยการปฏิบัติจริงคือฝึกทิพยคุยานให้ปรากฏหรือว่าฝึกอภินยาสมาบัติให้ปรากฏ เมื่อแต่สองอย่างนี้เป็นสมบัติในจิตของท่านท่านก็มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ได้จะเห็นนรกได้จะเห็นพรหมได้เห็นเทวดาได้แล้วก็เห็นได้ทุกอย่างแม้แต่นิพพานถ้าวิบัตินาญาณของท่านเข้าถึงโคตรภูยานนับตั้งแต่โคตรภูยานเป็นต้นไปแต่ว่าวิธีฝึกอย่างนั้นท้าบรรดาท่านพุทธบริสัททั้งหลายเห็นว่าจะยากเกินไป ก็มีวิธีฝึกที่ง่ายกว่านั้นแบบฝึกมโนวิธิไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นแบบนี้สงสัยว่าจะมีพระรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งรวบรวมเข้ามาจัดปฏิบัติขึ้นเพื่อนักปฏิบัติได้วิสูติ์ที่ตนเองหรือว่าจะไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสองสอนไว้ที่ไหนแตมาก็ไม่ทราบเห่ืนกัน แต่ว่าผลที่ปรายกฏนั้นมีจริงเอากันแบบง่ายๆมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านผู้จะฝึกจัดทูบสามดอกแล้วก็ดอกไม้สามดอกเทียนหนึ่งเล่มเงินหนึ่งสลิง มาตั้งไวขณะเลยฝึกคำภาวนาว่านามะพทะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นมิเช่นั้นแล้วก็จะเลื้งกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไปเมื่อบัรดาลุกสิทธ์นำเครื่องสการะมาพร้อมแล้วจุดธูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทำนำมนเพื่อเป็นการคุมลูกสิทธ์ไม่จิตฟันเฟือน การทำน้ำมนต์ใช้บทวิติปิโสพระกวาจนกระทั่งจบสามห้องหลังจากนั้นก็ใช้กระถาว่าน้าโมพุทธายะเป่าลงไปที่ศิษะครูศิษย์คนละสามครั้งเขียงกระดาษเขียนวา่าน้โมพุทธายะใหู้ศิษย์จุดธูป สามดอกปกักลงไปในกระดาษพ่าเป็นสามเหลี่ยมปิดไว้ที่หน้าแล้วก็ให้ภาวนาวานามรพปทาวิธีนี้เคยฝึกอันดาท่านพุทธบริษัท ต, ตั้งแต่เด็กเล็กแท้ย่จะยุเจ็ดปีที่ห้าหกสิบปีก็เคยปฏิบัติได้ผลดีกันมาแล้วแต่ว่าตอนหลัง เห็นจะเป็นว่ากำลังใจของบรรดาประชาชนทนหลายต่ำลงฝึกกันเท่าไรก็ไม่ได้มีหลายปีมาแล้วเคยฝึกแต่ละปีคนที่ได้รับผลในการฝึกแบบนี้สามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆแล้เห็นได้โดยตนเองคนนั่งใกล้ๆถามได้ว่าเวลานี้พบอะไรแม้แต่ว่าจะว่าแต่โลกอื่นอันโลกนี้ก็แล้วกัน สมมติว่าท่านอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยากจะทราบเบอเพื่อนของท่านที่อยู่ใต้สุดของประเทศเวลานั้นเขาทำอะไรเขาคุยกับใครพูดกันด้เรื่องอะไรพยายามทำไปแล้วพิดูไปไปตรวจ ด, ดูแล้วก็บันทึกไว้วันเวลาเก็บบใน้ดี แล้วก็ในเมื่อมีโอกาสได้พบกันไปถามเข้าเขาพู่นั้นจะรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องพิสูจน์จะบอกว่าพิสูจน์เฉพาะสวรรค์นรกจะหาว่าโกหกกันต่อไปอีกพิสูจน์กันในชาติปัจจุบันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะว่าท่านที่ปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นปูยี่ปูยำ จะไปใช้วิธีแข่ใช้การพ น, นันหรือว่าแข่งขันใดๆดนกรณีใดๆก็ตามพวกนี้เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจะเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กพอจิตเข้าถึงระดับนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่จะใช้วิชาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสาเสนาแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ว่าวิธีนี้รู้สึกว่าย า, ยากอยู่สักนิดเหนื่อย หายใจเองก็เหนยรู้สึกก็เหน่อยอาตมาเองก็เลิกฝึกเสร็จแล้วที่มาบอกไว้เทียนที่นี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้ทุกคนที่รับฟังแล้วเอาไปฝึกกันได้แต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าทํากันไม่เป็นจะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะมาโทษกันไม่ได้เวลาจะทํำก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆครูใหญ่ยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้มาตำราที่สองตำราที่สองนี่ได้รับหนังสือจากคุณมาหาสิงห์หมื่นบุญตันแด้อะไรก็ไม่ทราบจนะนำโดยคุณว่าอย่างไงถ้าจะเป็นหมื่นบุญตันอยู่แม่ห้องสอนไม่รู้ว่าเอาหนังสือเข้าไปไว้ที่ไหนสักที่อย่าอยู่บ้านเลขที่ อะไรเด็กก็เข็งไม่อนุญาออกเลขที่53ตำบลทุ่งยาวใต้อาบ้านทุ่งยาวใต้ตำบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องอรได้จดหมายถามมาถึงวิธีที่ปฏิบัติให้แกรูสิทธิ์ว่าวิธีนี้เคยปฏิบัติให้แกรู้สิทธิ์มามากมีผล ผลที่ได้รับก็คือให้ลูกศิษย์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่ว่าแกไม่ได้ใช้ไปในพบต่างๆโดยการส่งลูกศิษย์ไปก็ต้องแล้วเวลาจะกลับเขาเรียกกลับได้ส่งจดหมายมาบอกว่าคาถาบทนี้ผมให้คนเข้าไปกันได้แต่ผมจะไปเองได้ไหมนี่น่าสงสัยเหมือนกันท่านอาจารย์ก็สําคัญจริงๆ ทรงตําราได้ให้คนอื่นเข้าไปเที่ยวได้แต่ถ้าว่าตัวเองไปไม่ได้จึงเล่มนามาทดลองฝึกกรรดาท่านพุทธบริษัทภายในก็ทําทมาประมาณทักสี่ครั้งแล้วก็ปรากฏว่าท่านปฏิพุทธปฏิบัติมีผลสงความตั้งใจอันนี้สําหรับวิชานี้ท่านมาหาสิงห์เขียนมาบอกว่าเวลาจะกลับตรงเรียกกลับ นีน่เมันในเมื่อนำมาไปสู์กับบันดาท่านพุทธบริษัทรือว่าเวลากลับคอยกลับเองได้แต่การที่จะท่องเที่ยวไปก็จำกัดเขตไว้ก่อนคือไปในส่วนของทางดีไม่จะไปในโลกนี้ตามที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละที่คนได้ดีได้จริงๆเป็นคนแรกก็สองคนเดกันคือวรชนีกับจิตรดา ที่ท่านนั่นหลายก็ทราบอยู่แล้วแล้วต่อมาในวาระที่สีก็ปรากฏว่ามีหลายท่านด้วยกันในเห็นอะไรต่ออะไรกันบ้างตามที่ไม่เคยเห็นถ้าสองคนนี้ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ทั้งสามพบขออยากจะบอกสามพบครึ่งห้อยครื่งหนึ่งนั้นไปได้แต่แต่ว่ามัวไป ย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณยังอ่อนไม่มีทีนี้มีประโยชน์ตำราที่ทรามหาสิงเขียนมาว่าอย่างนี้เทพฝึกกันนั่นแหละของทรามหาสิงหมื่นบนตันยั่งแม่หอกสอนเขาบอกว่าตำราที่ผมเคยใช้ก็คือหารดอกไม้สีขาวมาใส่ขันเทียนสองเล่มเงินสามบาทผู้ต้องการจะนั่ง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 ในเป่าลงไปในขันสามครั้งเสร็จแล้วก็วางขันลงนั่งขัดสมาธิหลับตาว่าตอนนี้ดูสิว่านะตอนแรกอาจารย์สอนจำไปไดีนะตอนนี้ดูสิห ล, ลับตานะั่งหลับตาแล้วก็ว่าทุติยมปีผุทังเมนาถังเมนาโถกรมฐานะกรมฐานัง ข้าขอเข้าประกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายตุติยมปิธรรมมังเมนาถังเมนาถูกรรมฐานะกรรมฐานหังข้าขอเข้าประกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> เดี๋ยวก็แกลกก็แกลกเปิดกระดาษที่อาจารย์เขียนมาเจ้าทั้งหลายให้ให้ตั้งใจมั่น อ้นี่ถ้าใครจดไว้ถ้ามันสลับกันแล้วก็ปวดแก้ถูกต้องเลยนะแล้วก็ตาติยามปีสังคังมีนาทังมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานนังข้าขอเข้าไปรกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมัน่นเมื่อว่าจบก็ติฐานจิตตามความปรารถนาเมื่อจะไปได้ก็ล้มลงนอน ขณะที่เขาในฐานนี่ตั้งเขียนเมือ่อวานนี้ผมก็เป่าด้วยคัดเช่ามุมหินี่ใครอยากจะเป็นอาจารย์แล้วก็จําไม่ได้นะเวลาที่รูาสิทธิ์นั่งหลับตาตั้งใจอย่าไปจุดใดจุดหนึ่งอาจารย์ก็เป่าคือว่าคถาว่าคัดเช่ามมหิคัดเช่ามมหินี่ให้รูาสิทธิ์ออกไป เมื่อเวลาจะเรียกกลับก็เรียกด้วยคาถาว่าอาคัตเฉยยะอาคัตเฉยหิเมื่อว่าคาถานี้แล้วเรียกเรียกชื่อเขาเขาก็ตื่นคือมีความรู้สึกตัวขึ้นเป็นอันว่าคาถาที่เราปฏิบัติกันเป็นคาถาที่จากท่านมาหาสิงห์เนที่ทํากันจากมหาสิงห์หมื่นบุญตันทรงมาจากแม่ห้องสอนในเวลาที่ท่านหลายจะทํากันแล้วก็ นึกถึงธรรมมหาสิ่งด้วยท่านเป็นครวูวัดแต่ว่าสามารถให้คนไปเที่ยวได้แต่การในเที่ยวของท่านก็เที่ยวในภพนี้ไปในโลกมนุษย์ไปโน่นบางนี่บางตามเรื่องตำราวที่ท่านจะมีความเข้าใจแต่แต่ว่าในเมื่อเรานาราํามาประกอบความฝึกกันแล <c oughs> ้วก็ใช้วิธีสม่ยแทนนี่้ไปในภพนี้ก็ไปในภพต่างๆ แต่ก็เป็นที่น่าดีใจที่สองคนแรกคือรัชนีและจิรดาสามารถท่องเที่ยวไปในภูมิคัมภิสกามาวจรพรมโลกและก็ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่ไปในรกแล้วก็มีหลายคนที่ฝึกทำได้ ความจริงวิชาความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศากดิ์สันดาห์ยังมีมากที่เราเก็บมายังไม่หมดเป็นอนุวิวิชานี้แต่หากว่าบุคคลใดมีความสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคติพระพุทธเจ้าเรื่องนรกคนดีเรื่องเปรกก็ดีสุดกายคนดีเรื่องเทวดาก็ดีเรื่องพรมคนดีและเรื่องนิพพานก็ดี หากว่าท่านสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็เขอมันดาท่านพุทธบริษัทที่สงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามใจเถอะสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าต่างคนต่างฝึกกันเสียให้ได้และเวลาฝึกก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่าทำกันไปเล่น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 เรื่องวิชาความรู้ที่จะฝึกกันแบบนี้มันยังมีอีกมากแต่ว่าวิชานี้รู้สึกว่าง่ายดีและก็ไปไดรวดเร็วอาจารย์ผู้ฝึกก็ไม่เหนื่อยสําหรับลู้ศิษย์ทุกหาถ้าหาว่าจะสงสัยจะถามว่าเวลาจะฝึกทุกครั้งจะต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสมอหรื อ, อยังไงก็จะขอตอบว่าไม่มีความจําเป็นแต่าหากว่า ท่านมีสมาธิคล่องตัวเป็ น, นเพียงว่าท่านต้องการจะไปไหนเมื่อไรเขา้าไปไหนเมื่อไรนี่ไม่เจาะหัวที่จะถามมาถอดอทิตสมาในกายที่เรียกว่าถอดจิตไปที่นั้นได้ทันทีตามความต้องการน่าเว่าท่านยถาถามอีกว่าถ้าจะไปเมื่อไรต้องล้มเสมอหรือ ก็จะต้องขอตอบว่ามันจะลมติเพราะเวลาฝึกใหม่ๆเท่านั้นถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเป็นฌานทรงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะใช้วิชานี้ไปส่งหนดตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ ในมนุษยโลกก็นได้เทวโลกกันได้พรทธ ม, มโลกกันได้ยมมโลกกันได้และที่อื่นนอกจากนี้ก็ได้ถ้ากำลังบนบา ร, รมีของท่านถึงนี่การไปเบื้องสูงเป็นการวัดความดีทางจิตใจถ้าจิตใจของเรามีความดีถึงขั้นกา ม, มาวาจรสวรรค์เราก็เที่ยวได้แค่สวรรค์ แต่ความดีของเราเข้าถึงพรหมโลกเราก็ไปเที่ยวได้ที่พรหมโลกแต่ความดีเขาเรายิ่งไปกว่านั้นเราก็ไปสูงกว่านั้นได้เรื่าาองว่าถ้าเขาจะถามว่าไปดูนรกได้ไหมอบอกว่านั่นเรื่องเล็กแต่ว่าใหม่ๆยาเพิ่งไปกันถ้าตกใจจะลำบากอรบรรดาท่านพุทธบริษัทผูท้เป็นสา ว, วากองสมเด็จพระผู้มีพระภาค เป็นอันว่าวันนี้ก็เพียงแต่นำบาลีพระองค์สมเด็จพระจินสีมายืนยันว่าเรื่องนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็คำแนะนำพระองค์สมเด็จพระสุนรสวัสดิ์เพื่อใจเที่ยวนรกสวรรค์มีอยู่หากว่าท่านทัานหลายสงสัยในคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าไม่สงสัยอยากจะไป ถ้าฝึกวิชาสามอภินยาหกตามแบบกะกรรมฐาน40ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็มีผลแล้วก็มีผลเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดสแล้วต่อที่นี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการฟังคำสมาทานป็กรรมฐานต่อไปเพราะเวลาครูหนึ่งนะเพราะ เ, ราเวลานิดหนึ่ง